จะชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ชาวอุบลส่วนใหญ่ยึดมั่นในศิลธรรมสนใจไปศึกษารักสงบและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วชาวอุบลราชธานียังมีความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือในช่วงเวลาย้อนหลังไปประมาณ50ปี ปัจจุบันบรรดาพระอริยะเจ้าผู้ท่งคุณอันประเสริฐทั้งหลายมีเป็นจำนวนมากที่ชาวอุบลหรือเคยมาศึกษามาพำนักในสำนักครูบาอาจารย์ในจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยะเจ้ารูปหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนประทีพทอง ส่งแสงธรรมแก่ชาวไทยและชาวโลกที่ชาวอุบลมีทั้งความภาคภูมิใจและเคารพศรัทธาเรื่องใสยอย่างสูงยิ่งคือพระโพธิยานเถระหรือหลวงปู่ชาสุพัตโธหลวงปู่ชาเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมีปฏิปทาศีลาจารวัรบริสุธทธิ์ผุดพองงดงามเป็นที่เรื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติันวันนะเหลือท่านมีคุณลักษณะสำคัญอันวิเศษประการหนึ่งคือท่านสามารถอธิบายธรรมอันลึกซึ้งซับซ้อน ให้คนทุกระดับชั้นเข้าใจถึงแก่นแท้แห่งธรรมนั้นได้ด้วยอุบายธรรมอันแยบยนต์ง่ายแก่การเข้าใจและเห็นจริงได้จากสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวพระโพธิยานเทระนามเดิมชาช่วงโชดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีมามียตรงกับวันที่ส7เจ็ดเดือนมิถุนายน พุทธศกราช2461ณบ้านกิจก่อหมู่ที่9ตำบลทาดอําเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อมาโยมมารดาชื่อพิมพ์ช่วงโชธหลวงปู่เป็นบุตรคลที่ห้าในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้สน10คน จากสมัยนั้นการศึกษายัางไม่เจริญหลวงปูชาจึงได้รับการศึกษาเพียงจบชั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นครั้นอายุได้1ิบสาปีหลวงปูชาผู้ฝ่ายใจในทางธรรมมาแต่ยาว์วัยจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาบันปชาเป็นสามเณรณวัดก่อนอกอำเภวารินชำราบโดยมีพระขู่วิจิตธรรมภานี จเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามในขณะนั้นเป็นพระอุปชาแต่ปวดได้เพียง 3, สามพรษาก็จำต้องลาศิกขาออกไปช่วยวิดามารดาทำงานตามความสามารถของตนแม้จะใช้ชีวิตในเพศครวญแต่หลวงปู่ชายังสนใจฝ่ายทางธรรมอยู่ตลอดเวลาครั้นอายุครบบวด จึงขออนุญาตบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2482ณพัทศีมาวัดก่อใ น, นตำบลทาตอำเภอวารินชรากจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทราสารคุณเป็นพระอุปชาพระครูวิรุณสุการเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วสองพรรษาแรกได้จำพรรษาอยู่ที่วัดก่อนนอกได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรีได้หลวงปู่คิดจะเรียนนักธรรมชั้นโทต่อแต่เนื่องจากพระครูบาอาจารย์หายาก จึงได้ออกไปแสวงหาความรู้ยังสำนักเรียนต่างถิง่นที่เห็นว่ามีการเรียนการสอนที่ดีในสมัยนั้นหลวงปู่ชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารหนึ่งพรรษาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้ทราบข่าวว่าสำนักเรียนวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30สิ มีการเรียนการสอนที่ดีจึงชวนเพื่อนบนรรพชิตเดินทางเพื่อศึกษาเลยได้พักอาศัยอยู่กับท่านพระครูอักขธรรมวิจารหลวงปู่ถูกอัตยาใสยกับการเรียนการสอนที่สำนักนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแลง้งประกอบกับมีภิกษุสามเณรอยู่มาก เกิดการขาดแคลนอาหารคบฉันเพื่อนบนรรพชิตที่ไปด้วยกันรบเราให้พากันไปอยู่สำนักอื่นหลวงปู่ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนจึงตกลงกันว่าถ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วเกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจจะกลับมาที่สำนักหนองหลักอีกจากนั้น หลวงปูชากับเพื่อนวันพชิตได้พากันเดินทางไปจำปัรษาที่สำนักเคงใหญ่อําเภออำนาจเจริญหลวงปู่ได้ศึกษานัดธรรมชั้นโทและบาลีวยากรกับท่านมหาแจ้งที่สำนักเคงใหญ่นี้และตั้งใจว่าถ้าสอบนัดธรรมเสร็จได้เวลาพอสมควรจะกลับไปอยู่วัดน้องหลักอย่างเดิม เมื่อผลการสอบออกมาตอนปลายปีท่านก็สอบนักธรรมชั้นโถได้ปีพุทธศักราช2486หลวงปู่ชาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดหนองหลักกับพระครูอักธรรมวิจาร์อย่างเดิมตั้งใจศึกษานักธรรมชั้นเอกและบาลีวยากร ท่านได้ทุ่มเทจิตใจให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แต่พอหลังจากออกพรรษาปวารณาและกรานกะถินผ่านไปหลวงปู่ชาได้รับข่าวว่ายมบิดาป่วยหนะักทำให้เกิดความลังเลใจภาวะผวังวรทั้งห่วงการศึกษาทั้งห่วงโยมบิดาในที่สุดก็ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมโยมบิดาและอยู่ดูแลรักษาพระจักท่านตั้งใจว่า หากโยมบิดายังไม่หายป่วยก็จะอยู่ดูแลท่านต่อไปไม่กลับไปสอบแม้เมื่อโยมบิดาทราบได้บอกให้ท่านไปสอบเสียอย่าให้เสียการเรียนแต่หลวงปู่ท่านปฏิเสธเพราะได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอาการป่วยของโยมบิดานั้นมากอยู่ระวางเฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมบิดาอยู่นั้น โยมบิดาได้ขอร้องให้ครองสมณเพศอยู่ต่อไปดังได้เคยขอร้องมาหลายครั้งหลวงปู่จึงรับ่างซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาครั้งสุดท้ายก่อนที่โยมบิดาจะสิ้นชีวิตปีพุทธศักราช2487เมื่อจัดการชาปนกิจศพโยมบิดาเรียบน้อยแล้วหลวงปู่ชา ได้เดินทางกลับวัดน้องหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปในระหว่างจำพรรษาที่วัดหน้องหลักนี้หลวงปู่ได้แปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มได้อ่านพุทธประวัติและประวัติของพุทธสาวกแล้วนํามาพิจารณาเห็นว่าการเรียนนี้ครูพาแปลสิ่งที่เรารู้เห็นมาแล้วเป็นส่วนมาก เช่นเรื่องของต้นไม้ผู้เขาผู้หญิงผู้ชายสัตว์ต่างๆเป็นต้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาเหตุว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์ก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชมาเพื่อเรียนอย่างเดียวตัวท่านเองได้เรียนรู้ทางปริยัติมาบ้างแล้วอยากจะศึกษาทางปฏิบัติ ด, ดูบ้าง พุทศกราช2488หลวงปู่ชาได้ออกจากวัดหนองหลังเดินทางกลับจำพรรษาที่วัดก่อนอกบ้านเดิมของท่านในพรรษานี้หลวงปู่ได้ช่วยสอนนัธรรมให้กับภิกษุสามเณรที่วัดก่อนอกและตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาปีนี้จะต้องออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาให้ได้ เมื่อส่งนักเรียนเข้าสอบนักธรรมหลวงปู่ก็สอบนักธรรมชั้นเอกได้ด้วยในปีนั้นต้นปีพุทธศกราช2489หลวงปู่ได้ชวนพระทวัรหรือสาญาณจารีซึ่งปัจจุบันก็คือพระมหาทวัรญาณจารีปอทอวัดระกังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร ออกทุดงเดินทางไปถึงเขาวงกฎจังหวัดลบบุรีอันเป็นสำนักของพระอาจารย์เผ่าพุท ธ, ธาธโรแต่เมื่อไปถึงพระอาจารย์เผ่าได้มรณภาพเสียแล้วเหลือแต่อาจารย์วันลูกศิษย์ของท่านทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนแทน กลวงปูได้อาศัยศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติที่พระอาจารย์เผาวางไว้เป็นแนวทางได้อ่านคติธรรมที่เขียนไปตามปากถ้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อเตือนใจและโชคดีได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ชาวเขเมรผู้ชนานาญทั้งปริยัตและปฏิบัติเดินทางมาจากประเทศกรรมัมพูชาเข้ามาสอบทานพระไตปิฎกไทย ท่านพมอยู่ที่สำนักเขาวงกฎก่อนที่จะออกเดินธุดงไปยังประเทศพามาศ่าพระอาจารย์รูปนี้ได้แนะนำหนังสือปุฟัสิขาวันนาวินยัยยัาให้หยวงปู่ไว้ศึกษาท่านได้ขี่เนเปรียบเทียบการแปลวินัยที่ทางไทยแปลวไว้ในหนังสือนวโกวาทกับทางพระฝ่ายขเขมร ทั้งในส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างให้หลวงปู่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างจำพรรษาที่เขาวงกฏนี้หลวงปู่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติท่านได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากการมีศีลบริสุทธิ์แล้วพิจารณาลงไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆยิ่งพิจารณา ก็ยิ่งแน่ชัดแจ่มแจ้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ได้มีความระมัดระวังสำรวมเคร่งครัดนม่ให้มีความบกพร่องในธรรมวินัยเกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ตามพระวินยัยเช่นปัจจัยเงินทองท่านก็จะสนับหมดและปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ในระหว่างพัรษาที่เขาวงกตนั้นหลวงปู่ชาได้รับทราบจากโยมอินมรกรทายกวัดเขาวงกตถึงกิตติศักดิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นพระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งจำนานด้านวิปัสสนาธุระมีประชาชนเคารพเลื่องสเป็นอันมากในขณะนั้นท่านพำนัดอยู่ที่สำนักวัดป่าหนองผือนาใน อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครั้งออกอรรษาปีพุทธศักราช2490หลวงปูชาพิจารณาเห็นว่ารัตถวันที่ไปด้วยกันมีความสนใจการเรียนจึงตกลงแยกทางกับรัตถวันโดยให้รัตถวันไปเรียนประยัตธรรมในกรุงเทพส่วนหลวงปู่ ออกธุดงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตมีพระขอออกติดตามไปด้วยสี่รูปเป็นพระภาคกลางสองรูปพากันเดินย้อนกลับมาทางอุบลพักอยู่ที่วัดก่อ น, นอกชั่วคราวจากนั้นจึงพากันเดินทุดงกราแดดไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางคือสำนักพระอาจารย์มั่น หลวงปู่มีความตั้งใจว่าก่อนจะไปถึงพระอาจารย์มั่นควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาข้อปฏิบัติจากพระอาจารย์ต่างๆในระหว่างทางไปด้วยเพื่อจะได้เทียบเคียงกันดูดังนั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาอยู่ในทิศทางใดท่านจึงแวะไปนมัสการ ในการเดินทางครั้งนี้ได้รับความลำบากและเหนื่อยมากคณะที่ไปด้วยกันจึงขอแยกทางกลับเหลือเพียงหลวงปู่กับพระอีกสองรูปเดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเดิมหลายวันต่อมาจึงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในวันแรกพอย่างเข้าสู่สำนัก เห็นลานวัดสะอาดสะอ้านเห็นกริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงปู่เกิดความพอใจมากกว่าที่ใดๆที่เคยผ่านมาเมื่อได้เข้ากราบนมัสการสั้นพระอาจารย์มั่นในตอนเย็นท่านก็ได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องราวต่างๆเช่นเกี่ยวกับอายุของปรรษาและตำนักที่เคยปฏิบัติมา หลวงปู่ชาได้กล่าวเปลี่ยนว่าม า, าจากสำนักพระอาจารย์เผาท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดว่าดีท่านอาจารย์เผาเป็นพระแท้องค์หนึ่งในประเทศไทยต่อจากนั้นท่านได้เทศให้ฟังโดยได้ปรารถถึงเรื่องนิกายทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่สงสัยมาก่อนต่อจากนั้นท่านอาจารย์มั่น ได้เทศเรื่องอื่นๆให้ฟังจนเป็นที่พอใจหายสงสัยทั้งทั้งที่หลวงปู่และเพื่อนซาธรรมมิตมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวันพอได้ฟังเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้หายไปอย่างปราดจิตใจเกิดความปิติปลับรื่องในธรรมจิตดีสู่สมาธิธรรม ด้วยความสงบและมีสติบังเกิดความสว่างสงบรู้สึกคล้ายตัวล อ, อยอยู่บนอศัศน u นั่งฟังจนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุมในคืนที่สองก็ได้เข้านมัสการฟังธรรมจากพระอาจารย์มัน่นอีกทําให้จิตใจของหลวงปู่เกิดสว่างไสวความสงสัยข้องใจที่เคยมีอยู่นั้น หายไปจนหมดสิ้นขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจอย่างมากจังเป็นการยากที่จะบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจจตังเวทีตับโควินยูหิตในวันที่สามหลวง ป, ปู่ชาได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ต่อไป นับแต่ออกจากสํานักของพระอาจารย์มั่นไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ณที่ใดก็ได้ปรากฏนิมิตภาพของพระอาจารย์มั่นคอยติดตามตัดเตือนอยู่ตลอดเวลาทําให้เพิ่มพูนความศรัทธาเขารับในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเป็นทวีคูณหลวงปู่ชาได้ทุดงไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งได้มีประสบการณ์ ทั้งทางจิตหลายครั้งเป็นผลให้มีความเข้าใจในธรรมแจงแจ้งยิ่งขึ้นทำให้มีกำลังใจที่จะมุมานะบาเพ็ญเพียรต่อไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านได้ดเตือนตนเองว่าไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาหลวงปู่ ได้มาจําพรรษาอยู่กับท่านอาจารย์กินนรีจังที่อยู่พระอาจารย์สอนวิปัสสนาสายท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าหนองฮีหรือวัดป่าเมธาวิเวกอําเภอปลาปล า, ปาจังหวัดนครพนมเมื่อขอเพ่งบารมีปฏิบัติธรรมกับท่านซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีท่านอาจารย์กินนรีเห็นใจจีวรของหลวงปู่เก่า จะใช้ต่อไปไม่ได้ท่านจึงได้กรุณาตัดเย็บผ้าป้ายพื้นเมืองให้จนครบไตรจีวรมอบให้หลวงปู่ในภรรษานี้หลวงปู่ได้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติเป็นอย่างมากไม่มีความย่อท้อแต่ประการใดคืนวันหนึ่งหลังจากหลวงปู่ชาได้ทำความเพียรแล้วคิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็กๆ พอเองกายลงศีรษะถึงหมอนด้วยการกำหนดสติได้เกิดนิมิตขึ้นว่าท่านอาจารย์มั่นคุริทัตโตได้มาอยู่ใกล้ๆนำลูกแก้วลูกหนึ่งมายื่นส่งให้แล้วพูดว่าชาเราจะให้ลูกแก้วนี้แก่ท่านมันมีรัศมีสว่างสวนะหลวงปู่ได้ยื่นมือขวาไปรับลูกแก้วนั้น โดยร่วมกับมือของท่านอาจารย์มั่นแล้วลุกขึ้นนั่งพอรู้สึกตัวก็เห็นตัวเองยังกำมืออยู่ในท่านั่งรู้สึกแปลกใจในนิมิตนี้มากทำให้มีความเพียรคิดค้นทำเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมีสติปลื้มใจตลอดพรรษาครั้นออกพรรษาหลวงปู่ชาได้กราบลาท่านอาจารย์กินรี เพื่อออกสแสวงหาวิเวกบำเพ็ญเพียรต่อไปท่านอาจารย์กินรีได้ให้โอวาดว่าท่านชาอะไรอะไรก็พอสมควรแล้วแต่ให้ท่านระวังการเทศนะหลวงปู่ได้ออกธุดงไปเรื่อยๆบำเพ็ญรมตามโขนไม้เรื่อนร้างว่างเปล่ากระตบกลางนาระยะนี้ ระดับจิตใจท่านมีความเบาสบายสงบอิ่มเอิบดีมากจะทำสมาธิพิจารณาธรรมก็เป็นไปโดยปลอดโปร่งแต่ตอนนี้เองิเกิดอาการแปลกขึ้นมาคือคิดอยากแสดงธรรมความรู้สึกนี้รุนแรงมากทำให้หลวงปู่นึกถึงคำเตือนของท่านอาจารย์กินรีและนึกสารเสริญท่านเป็นอย่างมาก ที่ท่านมีเจตริญยาณยา ร, รู้ร่วมหน้าได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ชาออกทุดงรอนแรมไปในที่ต่างๆในภาคอีสานเคยข้ามไปฝั่งลาวเดินทางไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหากเป็นฤดูเข้าพัญษาก็จะอาศัยจำปัญษาหน้าที่ต่างๆในที่ทุดงผ่านไปไม่เป็นหลักแหล่งอาศัยความวิเวก ความทุรกันดาลของป่าเขาเที่ยวกรามทิเลตและอาศัยพิจารณาธรรมจากธรรมชาติหลายครั้งที่ต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสแทบตอกชีวิตไม่รอดจากความทุรกันดาลความแรนแค้นในป่าและโรคภัยไข้เจ็บหลวงปู่ได้ใช้ขันติสมาธิจิตที่เข้มแข็งและทมโอสต ต่อสู้จนได้รับชัยชนะตลอดมาซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์จากการทุดงของหลวงปูน่นี้หลวงปู่ได้เล่าให้พระมาหาอมรเขมจิตโตหรือพระมงคลกิตติทาดาสารสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านบันทึกไว้ในประวัติของท่านอย่างละเอียดได้ได้พิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้ว ในปีพุทธศักราช2497ในระหว่างปลายเดือนสโยมมาดาของหลวงปู่พร้อมด้วยพี่ชายคือผู้ใหญ่ลาช่วงโชดและญาติโยมอีกห้าคนได้เดินทางไปพบหลวง ป, ปู่บนภู ก, กอ่ออำเภอโลนุกฐานจังหวัดยะโสธรเพื่อนมัสการนิมนต์ให้กลับไปโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดหลวง ป, ปู่จึงรับนิมนต์โดยให้คณะของญาติโยม ขึ้นรถยนต์โดยสารกลับก่อนส่วนหลวงปู่พร้อมด้วยพระเนรและอุบาสกออกเดินทุดมตามมาในเรื่องการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อจะได้มีโอกาสเทศอบรมสั่งสอนและแนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้มีโอกาสได้กราบอาจารย์จินนรี ที่วัดป่าหนองหีอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์กินรีได้เตือนสติว่าท่านชา้าเอาละ่ะการเที่ยวทุดงก็พอสมควรแล้วควรจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ ร, บราบขคณะของหลวงปู่ใช้เวลาเดินทางห้าคืนจึงมาถึงชายดงป่าพงในเขตตำบล น, นอนพึ่งอำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานีตอนบ่ายของวันที่8ดเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2,497 เจตรงกับวันขึ้นสี่ค่ำเดือนสี่ปีมะเส็งคณะของหลวงปู่ได้ปั่งกลดพำนักที่ชายป่าแห่งนี้ในวันรุ่งขึ้นได้ออกสำรวจป่าโพงอันรกคึบ หลวงปู่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมควรแก่งการพักบำเพ็ญธรรมญาติโยมจึงได้ร่วมกันปรับพื้นที่จัดให้เป็นที่พักวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497จึงถือเป็นวันกําเนิดวัดหนองป่าพรมญาติโยมชาวบ้านจิต ก, ก่อและบ้านกลางได้พากันมาทําการถางป่าปรับพื้นที่ สำหรับสร้างอารามสำนักสงฆ์โดยปลูกกระท่อมขึ้นเป็นยมยมทำทางเดินจงกรมและฐานเดินเล็กๆเชื่อมโยงถึงกันในโดงไม้ทำให้พระนีนมีความสะดวกขึ้นหลวงปู่ชาได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดขึ้นในป่าแห่งนี้เป็นการถาวรเพื่อเป็นฐานของการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ในการสร้างวัดนี้หลวงปู่มีมติเป็นหลักการสำคัญว่าจะต้องไม่เรียรไรบอกกล่าวใดๆจะค่อยๆทำไปสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีหัวกังวลห น, นองป่าพงในยุคต้นยังเป็นป่าหน้าสะพึงกลัวเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับสัตว์ป่าทั้งหลายมาอาศัยดื่มกิน นอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยไข้ม า, ราเรียอันร้ายแรงมืมีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่านี้เพราะพวกที่เข้ามาตัดไม้ตัดฟืนในป่ามักมีเหตุให้ล้มตายกันไปโยูมากหลวงปู่และติดรุ้นแรกต้องประเชิญกับไข้ม า, ราเรียอย่างหนักจะหายารักษาก็ยากหลวงปู่ต้องเอาบราัระเพาะมาต้มใส่เกลือ ให้พระนินที่ป่วยไข้ฉันแก้ไขไปตามมีตามเกิดพอช่วยทุเลาเบาบางลงไปบ้างอีกอย่างหลวงปู่ไม่ยอมออกป่ากขอความช่วยเหลือจากญาติโยมหรือแม้แต่จะพูดเรียบเคี้ยวเป็นเชิงบอกใบ้ท่านก็ไม่ทําปล่อยให้ญาติโยมมาพบเห็นกับตาแล้วพิจารณาเอาเองว่าสมควรจะช่วยเหลือ อุปภาพระเนนเจ็บป่วยหรือไม่ประการใดต่อมาญาติโยมจึงค่อยเข้าใจต่างก็บังเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติตนของพระเนนในสำนักแห่งนี้ยิ่งนักที่ทุกองมีความกล้าหาญไม่ย่นย่อท้อถอยไม่อะไรใยดีต่อสังขารร่างกายของตนมุ่งปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเพียงอย่างเดียว นับตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักสงฆ์ในดงปากพงแหงนี้หลวงปู่ชาได้ลงมือปฏิบัติคิตต่างๆให้พระเนรและญาติโยมยึดถือทาตามเป็นเยี่ยงอยา่างท่านลงมือกวาดบริเวณวัดจัดที่ฉันอาหารตักน้ำหาดน้ำล้างบาดด้วยตัวท่านเองเมื่อท่านเป็นหัวหน้าพาทําเช่นนี้ทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่าคลึ้งคลั ในการอบรมสักสอนสามสิกลงปู่ถือหลับว่าสอนคนด้วยการทำให้ดูทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำท่านได้วางกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติวัดประจำวันขึ้นอาทิการทำวัดสวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการออกบินทบาทการฉันมือเดียวเรียในวันพระ ถือในสัจฉิไม่นอนตลอดทั้งคืนเป็นต้นหลวงปู่ได้ลงมือปฏิบัตินำทางเป็นแบบอย่างให้สิทธิ์ทำตามทำให้สามุสิตญาติโยมมีความยำเกรงและศรัทธาเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง ันติธรรมอดทนต่อสู้กับความยากลำบากได้ผ่านทั้งคนผู้หวังดีและไม่หวังดีม า, มากต่อมากแต่ด้วยน้ำใจที่มุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และหวังเจริญรอยตามยุคนระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ดเรียนและปฏิบัติตนเองก่อนแล้วจึงนำไปสอนคนอื่นต่อไป ไม่ได้หวังเพียงเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวหลวงปู่จึงได้ยอมเสียสละความสุขส่วนตนแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้ใครในธรรมมาโดยตลอดธรรมเทศนาของหลวงปู่ได้ชี้แจงถึงหลักความจริงที่จะนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้โดยตรงเป็นคำสอนคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อนปีพุทธศักราช2500ชาวพุทธถือว่าเป็นปีที่สำคัญมีการทำบุญทั้งส่วนวัตถุทานและธรรมทานมีการประกอบพิธีทางศาสน า, าเป็นพิเศษได้มีการบวชตนเองและลูกหลานเป็นภิกษุสามเณรตลอดทั้งบวชชีบวชทีประขาวเป็นจำนวนมาก ท้งวัดหนองป่าพงได้อนุญาตให้มีการบวชเช่นกันคือบวชสมเนรสองรูปบวชเป็นตาผ้าขาวเจสิบคนหรือบวชเป็นชีร7 8คนรวม250คนปีพุทธศักราช 2,501 มีประชาชนสนใจการฟังเทศฟังธรรม การปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีญาติโยมชาวบ้านเก่าน้อยตำบล่าตซึ่งเคยมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพงได้เห็นผลในการปฏิบัติบังเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจมีความสุขสงบเห็นกิ่งจึงได้พากันมาอาราธนาหลวงปู่ให้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าละเมอะใกล้ป่าช้า หลวงปู่มีเมตตาจิตคิดส่งเคราะห์การปฏิบัติธรรมของญาติโยมจึงได้รับคํานิมนต์ปรากฏว่าชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นพากันหลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทําให้หลวงปู่ต้องจําพรรษาในป่าแห่งนั้นจึงถือเอาที่นั่นเป็นสาขาปฏิบัติธรรมแห่งแรกของวัดหนองปากคง เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กลับมาอยู่วัดหนองป่าพงตามเดิมและได้จัดส่งพระกรรมฐานจากวัดหนองป่าพงไปอยู่ประจำสาขาแห่งแรกนี้ในปีต่อๆมาญาติโยมผู้เคยมาฟังเทศและปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงเมื่อกลับไปยังทินฐานของตน ต่างก็พาไปคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสมณะเมื่อได้สถานที่ตามความต้องการแล้วก็เตรียมการทำบุญโดยพากันไปนิมนต์หลวงปู่มารับบิณฑบาตรับถวายทายฐานและให้การอบรมธรรมณสถานที่นั้น หลังจากนั้นก็ขอให้หลวงปู่รับไว้เป็นสำนักสาขาส่งพระปฏิบัติไปอยู่เพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมซึ่งหลวงปู่ก็มีเมตตารับไว้เป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าคมจัดพระเนรไปอยู่ประจาเพื่อให้การฝึกอบรมทำ แกญาติโยมในถิ่นนั้นๆั้พระเนนที่ไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆนี้ต่างก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่หลวงปู่พาธรรมมาคืออยู่ปฏิบัติไปโดยไม่ได้วิ่งเด่นจัดหาหรือจัดสร้างเสน า, สนาสณะต่างๆให้อยู่ตามสภาพที่มีอยู่เป็นเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติ ต, ต่อไปเมื่อเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยม เขาก็จะพิจารณาจะสร้างให้เองหลวงปู่มุ่งให้สร้างวัดภายในเสียก่อนโดยการเผยแพร่ธรรมะแนะนําญาติโยมให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสําคัญท่านให้ข้อคิดเตือนสติสานุสิทธิ์ของท่านว่าให้พระสร้างคนแล้วคนจะสร้างวัดให้เองการสร้างวัดต้องหมายถึง การสร้างกายวาจาใจให้มีข้อวัดปฏิบัติถ้าต้องการวัตถุจงปฏิบัติธรรมให้ดีเช่นเราต้องการแก้วน้ำก็อย่าขอเขาอย่าดิ้นรนสแสวงหาจงใช้กระบอกไม้ไผ่ไปก่อนจงประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลสมาธิปัญญา เมื่ออ น, นิสง์แห่งการปฏิบัติธรรมปรากฏวัตถุที่ต้องการจะมาเองเขาจะนำมาให้มากกว่าเราต้องการเสียอีกแต่ก็อย่าติดวัตถุเรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแต่ถ้าวัตถุไม่ปรากฏญาติโยมเขามองไม่เห็นนั่นก็แสดงว่าบารมีของเรายังอ่อน จงเร่งทําความเพียรให้มากจะได้ประมาณการรักษาข้อวัดปฏิบัติทําให้เขาดูได้มีคุณค่ากว่าการพูดแต่บากแต่ทำไม่ได้ถึงแม้เราจะเทศสอนเขาไม่ได้แต่ถ้าทําตามข้อวัดปฏิบัติรักษาไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเราได้สร้างวัดภายในของเราดีอา น, นิสงส์มีแน่ แต่ถ้าเรามัวเมาแในการสร้างวัดถดุทิ้งข้อวัดปฏิบัติเสียหมดทําให้ผู้มาพบเห็นขาดศรัทธาคลายความเลื่อมใสชื่อว่าทําผิดพุทธประสงค์อนิสงส์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรการคําสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับการสร้างวัดนี้สารสิทธิทุกรูปยังจําใส่ใจและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงปู่อย่างคร่งครัด มาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อครั้งหลวงปูชามาตั้งสำนักวัดหนองป่าผงได้เดือนเศษโยมมาดาพิมพของท่านพร้อมด้วยญาติโยมผู้หญิงอีกสามคนได้มาบวชเป็นทีอยู่ด้วยญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันปลูกกระท่อมในป่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำทางเดินให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพระสงฆ์องค์เจ้า โยมาดาพินจึงเป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองปาปหงท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระลูกชายทำให้ได้รับรสแห่งธรรมมีใจใจสงบยืกเย็นเป็นที่พึ่งแห่งตนแม่ชีพิ์โยมาดาได้สร้างความดีทั้งที่เป็นอาเมสักบูชาและปฏิบัติบูชาตามกาลังความสามารถ ได้โอกาสอุปถัมบำรุงพระภิกษุสามเณรทั้งในยามปกติและในคราวอาพาธเสมอมาหลวงปู่เองก็ได้ทำการบำรุงโยมมารดาตามสมควรแก่นหน้าที่อันบุตรที่ดีจะพึงกระทำต่อผู้บังเกิดกล้าวคอยเอาใจใส่ทั้งอาหารกายและอาหารใจจนกระทั่ง เมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2517แม่ชีพิมพ์ก็ได้ละสังขารอันชารามากแล้วของท่านไปหลวงปู่ได้จัดการชาปนกิจศพโยมานดาในระยะวันมาคบบูชาซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2518ในงานนี้ได้อนุ ญ, ญาตให้กุลบุตร กุลธิดาบวชเป็นสามเณรรอยห้ารูปบวชเป็นที72คน<ม>เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาห<ม>ลวงปู่ชาได้เป็นหลักชัยนำพาสานุสิทธประพฤตปฏิบัติประกาศสัจธรรม นำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์เป็นที่ศรัทธาเลื่องใสของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มีภิกษุสามเณรและประชาชนเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขยายสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงออกไปต่างอำเภอต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศ รวมร้อยสิบสาขานอกจากลูกสิษิ์ที่เป็นชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่วัดหนองปากผมอีกด้วย สิทธ์ชาวต่างชาติรูปแรกคือพระสุมโทโธชาวอเมริกันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2510ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมาจากหลายประเทศหลวงปู่ชาท่านเป็นพระที่มีจิตใจกว้างมองการไกลท่านได้จับตั้งสำนักสาขาขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมพระเนนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ตาบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบคือวัดปานานาชาติซึ่งเป็นสาขาที่สิบเก้าของวัดหนองป่าพงให้พระสุมเมโทเป็นประธานสงคอยควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนพระเนนชาวตาชาติให้รู้กฎระเบียบวินัยรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติทางสงฆ์ ในการอบรมสั่งสอนศาสิทธิ์ชาวต่างประเทศนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีความสงสัยว่าหลวงปู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และพระฝรั่งก็พูดภาษาไทยไม่ได้หลวงปู่สอนให้พระเหล่านั้นปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจึงได้รับคําตอบว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่กายที่จิตถ้าหากคนเรา ยังมีอาการเคลื่อนไหวและหายใจอยู่ยังรู้จักเย็นพร้อนรู้จักดีใจเสียใจรู้จักชอบหรือชังก็ยังพอปฏิบัติทำได้เพระาะธรรมะก็เกิดที่กายที่ใจของเรานั่นเองเรื่องภาษาไม่สำคัญเรื่องการปฏิบัติตัวตนเป็นตัวอย่างที่ดี สำคัญกว่าด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สานุสิตได้เห็นตัวตนของตนเองให้ร <welche ăn? S 2> ู <Zone favorite word> hmm, ้จักปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาเมื่อพระสุเมธโธเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมมารดาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2519ขากลับ ได้เดินทางมาแวะประเทศอังกฤษทำหน้าที่สำนักธรรมประทีบแฮมสเตดกรุงลอนดอนได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักแห่งนั้นมาสนทนาธรรมด้วยเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอยากทราบถึงสำนักของพระครูบาอาจารย์และนิมนต์ให้พระสเมทโทอยู่จำพรรษาที่อังกฤษพระสเมทโทได้บอกเขาเหล่านั้นว่าท่านเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปูชาแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยหากมีความประสงค์อยากจะให้ท่านอยู่เพื่อเผยแพร่ธรรมะในประเทศอังกฤษต้องไปขออนุญาตจากหลวงปู่เสียก่อนเนื่องด้วยชาวอังกฤษที่สำนักธรรมประที่แฮมสเตด ได้เห็นเจริยาวัดและได้สนทนาธรรมกับพระสุมเมธโธผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่เกิดสรัทาเลื่อมใสเป็นอย่างมากมีความต้องการอยากพบเห็นและฟังธรรมจากผู้เป็นอาจารย์ของพระสุมเมธโธบ้างจึงได้เดินทางมาติดต่อนิมนต์หลวงปู่ชาและพระสุมเมธโธลูกศิษย์ให้เดินทางไปประกาศสัจธรรมในประเทศอังกฤษ ปูชาจึงได้จาริสสู่ต่างประเทศเพื่อประกาศจธรรมและเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติตามแบบอย่างพระป่าไว้ในประเทศตะวันตกให้เจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่การละและฐานะที่จะพึงมีพึงได้ลูกศิษย์ติดตามท่านไปในครั้งนี้มีพระสุมเมธโธและพระเขมธัมโมชาวอังกฤษ ออกเดินทางจากวัดหนองบราพงเมืม่อวันที่2พฤษภาคมพุทธ ศ, ศักราช2520และกลับถึงประเทศไทยเมืม่อวันที่19กรกฎาคมในปีเดียวกัน ที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลวงปู่ได้แสดงธรรมและอบรมกรรมฐานให้ญาติโยงชาวต่างประเทศที่สนใจนในตอนเช้าท่านได้นำสานุสิ์ออกบินทบาทนับเป็นครั้งแรกที่ชาวอังกฤษได้เห็นพระสงฆ์ออกบินทบาทจึงเป็นของแปลกมีประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเป็นแถวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีหนังสือพิม คอยตามถ่ายรูปเป็นระยะระยะตลอดทางที่เดินบินทบาตหลวงปู่ได้บอกลูกศิษย์ของท่านว่าเราบินทบาตเอาคนไม่บินทบาตเอาอาหารระยะเวลาสองเดือนเศษที่หลวงปู่และพระลูกศิษย์ อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนนั้นได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวต่างชาติตามสมควรมีฝรั่งคนหนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่าชีวิตของพระเป็นอย่างไรทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดูโดยที่พระไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ได้ตอบว่าถ้าบอกให้ก็ไม่รู้มันเหมือนกับนก ที่อยากจะรู้เรื่องของปลาในน้ำถึงปลาจะบอกความจริงว่าอยู่ในน้ำนั้นเป็นอย่างไรนกก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ตราบใดที่นกยังไม่ได้เป็นปลา เทศอังกฤษได้ทําพิธีถวายสํานักธรรมประทีปให้เป็นสาขาวัดหนองป่ากพงหลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่หนึ่งในต่างประเทศนอกจากที่ประเทศอังกฤษแล้วหลวงปู่ยังได้รับนิมนต์ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสดงธรรมและรับถวายที่ดินพร้อมอาคารให้เป็นสํานักสงฆ์ หลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่สองของวัดหนองป่ากโพในระหว่างที่อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนหลวงปู่ได้มีการบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกประจำวันสั้นๆมีตอนหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้ว่า เราได้เดินทางไปเมืองนอกในเมืองในนอกเมืองในในและเมืองนอกนอกรวมเป็นสี่เมืองด้วยกันภาษาที่ต้องใช้ในเมืองทั้งหลายเหล่านี้คือนิรุตติภาษาพระพุทธเจ้าทรงแตกฉานในภาษาทั้งปวงเราได้เห็นชาวยุโรป นี้เป็นดอกบัวสีเหล่าจริงๆเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราเป็นพระป่ามานานนึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้นก็เปล่าพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถมีหนำซ้ำยังให้เกิดปัญญาอีกด้วยเหมือนบัวในน้ำไม่ยอมให้น้ำท่วมฉันนั้น พิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไ ป, ไปเมื่อหลวงปู่กลับถึงประเทศไทยแล้วราวเดือนตุลาคมในปีเดียวกันคณะผู้จัดทาภาพยนต์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ BBC กรุงลอนดอนได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทาภาพยนต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดหนองป่าพงเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและกิจวัตรประจำวันรวมถึงข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงของพระป่าหรือพระกรรมฐานภา พ, พยนตร์สารคดีชุดนี้ได้ออกเผยแพร่สู่สายตาของประชาชนทั่วโลก ในปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ได้รับนิมนต์ให้ออกไปเผยแผ่ธรรมในต่างแดนเป็นครั้งที่สองวันที่30เมษายนหลวงปู่พร้อมด้วยพระปภากโรลูกศิษย์ชาวอเมริกันได้เดินทางไปประเทศอังกฤษท่านได้ให้การอบรมกรรมฐานแสดงธรรม ได้สนทนาธรรมกับผู้มาพบซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งแรกนับ ว, ว่าพระสุเมโถและลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของหลวงปู่ชาวัดหนองบาปพงได้ถ่ายทอดหลักปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการจะริกสู่ต่างประเทศครั้งที่สองนี้หลวงปู่ ได้ไปดูสถานที่ที่มีผู้ถวายเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักสาขาถาวรสถานที่นี้อยู่ที่ซั์เซ็กทางจากกรุงลอนดอนประมาณ50ิบไมล์นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสกอตแลนด์อีกด้วยแต่และสถานที่ที่หลวงปู่ไปเยี่ยมนั้นท่านได้แนะนำหลักปฏิบัติธรรมได้สนทนาธรรม และตอบปัญหาแก่ผู้สนใจเป็นที่ ท, ทราบซึ้งประทับใจแก่เขาเหล่านั้นการเดินทางไปประกาศจธรรมในต่างแดนของหลวงปู่ทั้งสองครั้งนี้ท่านได้นำหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ ในภาค พ, พื้นส่วนนี้ตลอดกาลนานและนับถึงปัจจุบันนี้มีสำนักสาขาของวัดน้องป่าพงในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสหรัฐอเมริการวมสิบสาขาด้วยกัน เป็นเสมือนเพชรน้าเองที่ผ่านการเจรัยจนเปล่งประกายแวววาวเป็นอั ญ, ญมณีล้ำค่าของพุทธศาสนกชนหรือถ้าเปรียบเป็นดวงประทีปแห่งธรรมหลวงปู่ก็กำลังทอแสงส่งธรรมแก่ปวงชนจึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่โรคาพาดได้เข้ามาเบียดเบียนหลวงปู่ในช่วงเวลา อันสูงคุณค่าเช่นนี้แม้หลวงปู่จะเคยรับสอนสานุสิตเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปตามกฎแห่งตรลยรัตเป็นสานุสิตจำนวนมาก ก็ยังกดเสียดายไม่ได้มีหลายคนปรารภว่าหากหลวงปู่ยังแข็งแรงดีอยู่จนอายุ 80-90 จะมีสาธรณสิทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหลือขนานับหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520แต่ท่านก็มีได้แสดงอาการวิตกกังวล ในสังขารร่างกายของท่านแม้จะอ่อนเพลียเมื่อลาสักพีมงใดท่านก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นยังคงมีเมตตาให้ธรรมปฏิสังถารแกมวลมนุษย์ผู้เดินทางมาสู่จากทั่วทุกสารทิศบางครั้งท่านนั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงตีสามตี4ีหรือถึงรุ่งเช้า ชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อผู้อื่นมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลหมู่มนุษย์ที่มาสู่โดยอดาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งแม้ลูกศิษย์ที่เคยส่งไปอยู่ตามสำนักสาขาต่งตางๆไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเดินทางไปประกาศสัจธรรมยังต่างแดนถึงสองครั้งนี่คือพลังแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่อาการผิดปกติทั้งร่างกายของหลวงปู่เริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่ง ได้เข้ารับการผ่าตัดทางสมองเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จังหวัดสมุทรปราการหลังการผ่าตัดหลวงปู่พักรักษาตัวที่กรุงเทพระยะหนึ่งและได้เดินทางกลับวัดหนองปากพงเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายน2525 25, จากอาการป่วยของหลวงปู่ยังไม่ดีขึ้นวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525สารสิทธิ์ทั้งหลายจึงได้กราบนิมนต์หลวงปู่เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ, อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไม่มีความต้องการจะไปแต่ทนการอ้อนวอนของคณะสิทธิ์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชาลุเคระห์วันที่สิบก้าเดือนมกราคมพุทธศักราช2526สาสิบหุิตได้กราบนิมนต์หลวงปู่กลับมาพักรักษาตัวที่วัดหนองป่าพงที่กุฏิพยาบาล ซึ่งมีลูกศิษย์มีศัท์าสร้างถวายหลวงปู่อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์มีพระเนนสานุสิตปรักเวรกันดูแลถวายการอุปถัมภ์ตามหลักการแพทย์อาการของหลวงปู่ในช่วงนี้ท่านพูดไม่ได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สานุสิทธ์ของหลวงปู่ทั้งบรรปะชิตและคารวดก็ยังมีความอบอุ่นใจที่หลวงปู่ยังอยู่เป็นร่มทงหลักธรรมของงวนสิทธิ์ครั้งแล้วเมื่อวันที่16บกมกราคมพุทธศักราช2535 เวลาหนาฬิกายีนาทีหลุงปู่ก็ได้ละสังขารของท่านไปยังความโศกอาลัยอย่างสุดซึง้งแก่สารุสิทธิ์และสาธุชนทั่วไปและยังทาสังเวชให้เกิดในฮะไทยของเหล่าศิษย์ผู้มุ่งปฏิบัติธ จะละสังขารไปตามการอันสมควรแล้วก็ตายแต่ธรรมะคำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้เมตตาแนะนำทำเป็นตัวอย่างนั้นยังคงอยู่พราะหลวงปู่ได้หว่านพืชแห่งโพธิธรรมเอาไว้มากหลายกระจายออกไปอย่างกว้างขวางถึงกาละเทศะอันสมควร เมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะแตกหนออย่างราบสูป่ปฐพีมีแต่จะเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆจะเรือนรอยตามเจตนารมณ์ของท่านที่มุ่งวางรากฐานไว้แล้วนั้นขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันขยายและรักษาพืชพันธ์ แห่งพอที่ทำเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์สุขร่มเย็นแกตนเองและสังคมคือต่อไปเทิน